พระศาสดาตรัสว่าพระสนมนา리เจ็ดร้อยเหล่านั้นประดับด้วยสัมภารังการเอวบางเรียบร้อยดีเชื่อถ้อยฟังคำพูดจาน่ารักประคองพาหาทั้งสองกันแสงคร่ำครวญว่าพระองค์ละพวกข้าพระองค์เพราะเหตุไรพระราชาทรงละพระสนมนา리เจ็ดร้อยเหล่านั้นซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง เอวบางเรียบร้อยดีเชื่อถ้อยฟังคำพูดจาน่ารักเสด็จไปมุ่งการผนวดเป็นสำคัญพระราชาทรงละภาชนะทองคำหนักร้อยปันละมีลวดลายนับด้วยร้อยทรงอุ้มบาทดินนั้นให้เป็นอันอภิเศก ค, ครั้งที่สองพระนางศิวลีเทวีกราบทูลว่าคลังทั้งหลายคือคลังเงินคลังทอง คลังแก้วมุกดาคลังแก้วไผทูลคลังแก้วมณีคลังสังคลังไข่มุกคลังผ้าคลังจันทร์เหลืองคลังหนังเสือคลังงาช้างคลังพัสดุสิ่งของคลังทองแดงคลังเหล็กเป็นอันมากมีเปลวไฟเสมอเป็นอันเดียวกันอย่างน่ากลัวแม้อยู่แต่ละส่วนก็ไม่หมดขอพระองค์โปรดเสด็จกลับดับไฟเสียก่อน ราชรัพย์ของพระองค์นั้นอยาได้ฉิบหายเสียเลยพระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวลมีชีวิตเป็นสุขดีนาเมื่อกรุงมิถิลาถูกเพลิงเผาผลาญอยู่ของอะไรอะไรของเราไม่ได้ถูกเผาผลาญเลยพระนางศีวลีเทวีกราบทูลว่าเกิดโจรป่าขึ้นแล้วปล้นแว่นแคว้นของพระองค์ มาเถิดพระองค์ขอพระองค์โปรดเสด็จกลับเถิดแว่นแคว้นนี้อย่าพินาศเสียเลยพระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวลมีชีวิตเป็นสุขดีเนาะเมื่อแว่นแคว้นถูกโจรปล้นพวกโจรไม่ได้นําอะไรอะไรของเราไปเลยเราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวลมีชีวิตเป็นสุขดีหนอ เราทั้งหลายจักมีปีติเป็นภักษาเหมือนเทวดาชั้นอาภัสราฉะนั้นนารธดาบทูลว่าความกึกก้องของประชุมชนใหญ่นี้เพื่ออะไรนั่นใครโนอมากับท่านเหมือนเล่นกันอยู่ในบ้านสมณนะอาตมาขอถามท่านประชุมชนนี้ติดตามท่านเพื่ออะไรพระราชาตรัสตอบว่า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 จะสำคัญว่าเราข้ามพ้นกิเลสแล้วหาได้ไหมกรรมคือกิเลสนี้จะพึงข้ามได้ด้วยเหตุเพียงเพศบรรพชิตหาได้ไหมเพราะยังมีอันตรายอยู่มากพระมหาสัตว์ตรัสว่าข้าพเจ้าใดปรารถนาเฉพาะซึ่งการมทั้งหลายในมนุษยยโลกอันบุคคลเห็นแล้วก็หาไม่เลยในเทวโลกอันบุคคลไม่เห็นแล้วก็หาไม่ อันตรายอะไรหนอจะพึ่งมีแก่ข้าพเจ้านั้นซึ่งมีปกติอยู่ผู้เดียวอย่างนี้ดาบทกล่าวว่าอันตรายมากทีเดียวคือความหลับความเกียจคร้านความง่วงเหงาความไม่ชอบใจความเมาอาหารที่ตั้งอยู่ในสรีระก็อาศัยอยู่ในสรีระนี้เองพระมหาสัตตร์ตรัสว่าข้าแต่พราม ท่านผู้เจริญพ่ฒนสอนข้าพเจ้าดีนักหนาข้าพเจ้าขอถามท่านพร้อมนี่แหละข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านเป็นใครหนอนารทดาบทกล่าวว่าชนทั้งหลายรู้จักอัตมาภาพโดยนามว่านารทะโดยโคดว่ากัสปะดังนี้อาตมามาในสำนักพระองค์ผู้เจริญด้วยรู้สึกว่า การสมาคมด้วยสัพ บ, บุรุษทั้งหลายยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ขอความยินดีและวิหารธรรมทางปวงจงเกิดแก่พระองค์กิจอันใดยังพร่องพระองค์จงทรงบำเพ็ญกิจอันนั้นให้บริบูรณ์ด้วยความอดทนและความสงบระงับพระองค์จงทรงคลายออกเสียซึ่งความยุบลงและความฝูขึ้นจงทรงกระทำโดยเคารพซึ่งกุศลกรรมบด วิชาและสมณธรรมแล้วบำเพ็ญพรหมจรรย์เถิดมิคาชินะดาบททุนว่าข้าแต่พระชนกพระองค์ทรงละช้างม้าชาวนครและชาวชนบทเป็นอันมากผนวดแล้วทรงยินดีในบาทชาวชนบทมิอมรอมัดและพระญาติเหล่านั้นได้ทำความผิดแก่พระองค์หรือ เหตุไรพระองค์จิกทรงละอิสริยสุขมาชอบพระไถ่ซึ่งบาสนั้นพระมหาสัตตร์ตรัสว่าข้าแต่ท่านมิคาชินะข้าพเจ้ามิได้ผจญซึ่งญาติไรๆโดยส่วนเดียวในการไหนไหนโดยอธรรมแม้ญาติทั้งหลายก็มิได้ผจญซึ่งข้าพเจ้าข้าแต่ท่านมิคาชินะข้าพเจ้าเห็นประเพณีของโลกเห็นโลกถูกกิเลสขบกัด ถูกกิเลสทำให้เป็นดังเปลือกตมจึงได้ทำเหตุนี้ให้เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าปุถุชนจมอยู่แล้วในเพราะกิเลสวัตถุใดสัตว์เป็นอันมากย่อมถูกประหารและถูกฆ่าในกิเลสวัตถุนั้นดังนี้จึงได้บวชเป็นภิกษุดาบททูลว่าใครเนอเป็นผู้จำแนกแจกอัดสั่งสอนพระอง ค, คาอันสะอาดนี้เป็นคำของใคร พระองค์ผู้เป็นจอมทัพเพราะว่านักปราดทั้งหลายไม่เรียกผู้บำเพ็ญวัดซึ่งจะให้ก้าวล่วงทุกได้โดยเว้นกัปปะและวิชชาว่าเป็นสมณนะพระมหาสัตตรสว่าข้าแต่ท่านมิคาชินะถึงข้าพเจ้าจะเคารพสมณนะหรือพรามโดยส่วนเดียวก็จริงแต่ก็ไม่เคยเข้าใกล้ไต่ถามอะไระไรในการไหนๆเลยข้าแต่ท่านมิคาชินะ ข้าพเจ้านั้นรุ่งเรืองด้วยสิริไปยังพระราชอุทยานด้วยอานุภาพใหญ่เมื่อเจ้าพนักงานกำลังขับเพลงขับและประโคมดนตรีอันไพเราะข้าพเจ้าได้เห็นมะม่วงมีผลภายนอกกำแพงพระราชอุทยานอันกึกก้องด้วยเสียงดนตรีพร้อมด้วยคนร้องและคนประโคมข้าพเจ้าละต้นมะม่วงอันมีสิรินั้นซึ่งเหล่ามนุษย์ผู้ต้องการผลฟาดตีอยู่ ลงจากคอช้างเข้าไปยังโคนต้นมะม่วงซึ่งมีผลและไม่มีผลเห็นต้นมะม่วงที่มีผลถูกคนเบียดเบียนกำจัดแล้วราศจากใบและก้านแต่มะม่วงอีกต้นหนึ่งนี้ใบเขียวชอุ่มน่ารื่นรมศัตรูทั้งหลายจากฆ่าพวกเราผู้มีอิสระมีศัตรูดุดน้ำเป็นอันมากเหมือนต้นมะม่วงมีผลถูกคนหักโคน่นฉนั้น เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาคนมีทรัพย์ถูกฆ่าเพราะทรัพย์ใครเล่าจะฆ่าผู้ไม่มีเย้าเรือนผู้ไม่มีสันทวะคือตันหามะม่วงต้นหนึ่งมีผลอีกต้นหนึ่งไม่มีผลทั้งสองต้นนั้นเป็นผู้สั่งสอนข้าพเจ้า